ตอนที่120หลีหวันเริ่มใช้แววไม่ได้เรียนกับอาจารย์หรอกแค่ชันศึกษาด้วยตัวเองตามที่ในหนังสือบอกหนะ้าหลีหวันกุเรื่องขึ้นมาส่งเดชฉลาดมากศา ส, สตราจารย์เจียงพยักหน้าซ้ำๆในใจมีเพียงความยอมรับในตัวอัจฉริยะตอนแรกเขาแค่คิดว่าหลีหวันฉลาดแต่ตอนนี้เห็นชัดว่าเธอมีพรสวรรค์มากนักศึกษาแบบนี้เขาต้องให้ความสําคัญไม่แน่ว่าในอนาคตวงการแพทย์แผนจีนอาจจะมีปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ถือกําเนิดขึ้นอีกคน หลังจากศาสตราจาจรย์เจียงพูจบเขาก็หันมาสนใจสภาพร่างกายของเหวินโม่ด้วยน้ำเสียงจริงจังอาการเป็นอย่างที่นักศึกษาหลี่พูดจริงๆ ร, ร่างกายของคุณตอนนี้มีปัญหาบางอย่างทางที่ดีควรแจ้งทางบ้านแล้วไปตรวจที่โรงพยาบาลอย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปยิ่งเร็วยิ่งดีเมื่อได้ยินดังนั้นสีหน้าของเหวินโม่ก็เปลี่ยนไปทันทีศาสตราจารย์ครับมีปัญหาจริงๆเหรอครับ ปกติผมก็กินยาอยู่ตลอดอีกอย่างหลายปีมานี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรพ่อกับคุณปู่บอกว่าไม่จําเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเพราะการผ่าตัดจะยิ่งทําให้โรคสุดหนักลงแถมการผ่าตัดยังมีความเสี่ยงด้วยเมื่อก่อนการผ่าตัดย่อมมีความเสี่ยงและความเสี่ยงค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการผ่าตัดใหญ่ทางด้านหัวใจแบบนี้แต่ตอนนี้การผ่าตัดหัวใจในประเทศเราเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วคุณไม่ต้องกังวลอีกอย่างผมแค่แนะนําให้คุณไปตรวจที่โรงพยาบาลก่อนแพทย์แผนจีนทําได้เพียงตรวจสภาพร่างกายขั้นพื้นฐานเท่านั้นส่วนสถานการณ์ของหัวใจในตอนนี้เป็นอย่างไรทางที่ดีควรไปเอ็กซเรย์ดูให้แน่ชัดหากปัญหาการอุดตันค่อนข้างรุนแรงก็ยังจําเป็นต้องผ่าตัดอยู่ดีศาสตราจารย์เจียงเป็นศาสตราจารย์อวุโสที่มีชื่อเสียงมากในสาขาการแพทย์แผนจีนคําพูดของเขาย่อมมีเหตุผล ยิ่งไปกว่านั้นการสอบเข้าเรียนสาขาการแพทย์แผนจีนในมหาวิทยาลัยการแพทย์แห่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ปูก่กับพ่อของเวิรนโมหารือกันอย่างทีทั่วแล้วเขาย่อมเชื่อมั่นในความสามารถของศาสตราจารย์เจียงแต่คิดไม่ถึงเลยว่าปัญหาหัวใจของตนเองจะถูกเพื่อนนักศึกษาตรวจเจอพ่อคำพูดนี้หลุดออกมานักศึกษาในที่นั้นต่างก็ตกตะลึงไปตามๆกันหลีหวันเก่งชะมัดมีทั้งคนที่เลื่อมใสและแน่นอนว่าย่อมมีคนที่ไม่ชอบหน้าเธอศา ส, สตราจารย์เจียงพูดต่อว่า ร่างกายของนักศึกษาเวิรนไม่เหมาะกับการฝังเข็มพวกเราเปลี่ยนคนอื่นขึ้นมาเถอะไม่ต้องค่ะลีวันเอ่ยขึ้นอีกครั้งตอนนี้หลอดเลือดมีอาการอุดตันอยู่ฝังเข็มสักสองสาเข็มเพื่อช่วยให้เลือดไหลเวียนชั่วคราวก็พอแล้วอาการปวดหลังและปวดฟันของเขาจะทุเลาลงทันทีศาสตราจารจย์เจงจ้องมองหลีหวันด้วยความตกตะลึงคุณแน่ใจนะสำหรับคนที่มีโรคประจําตัวแบบนี้แม้แต่เขาก็ยังไม่กล้าฝังเข็มสุ่ม4ี่สุ่มห้าในทันที จำเป็นต้องผ่านการซักประวัติอย่างต่อเนื่องเพื่อยืนยันว่าจะฝังที่จุดชีพจรไหนแต่หลีหวันกลับบอกว่าทําได้ค่ะหลีหวันโนภยักหน้าอีกครั้งวางใจได้ค่ะเหวนโม่มองหลีหวันหยิบเข็มเงินที่มีความยาวเกือบเท่านิ้วมือผู้ใหญ่ออกมาเขายังไม่ทันตั้งตัวว่าเกิดอะไรขึ้นก็เห็นเธอจับมือของเขาไว้แล้วเริ่มฝังเข็มลงไปที่จุดเหอกู่บริเวณง่ามมือก่อนเป็นอันดับแรกนักศึกษาที่ขวัญอ่อนบางคนถึงกับไม่กล้ามอง ทั้งเหวนโมและาศาสตราจารย์เจียงต่างก็มองออกว่าทักษะการฝังเข็มของหลี่หวานนั้นไม่ใช่สิ่งที่ฝึกฝนกันได้เพียงวันสองวันตอนที่เหวนโม่ฝึกฝนการฝังเข็มเขาต้องเรียนรู้อยู่นานถึงสี่ห้าปีเต็มวันนี้าศาสตราจารย์เจียงเพียงแค่ต้องการให้นักศึกษาทำความรู้จักกับจุดชีพจรต่างๆในร่างกายอย่างง่ายๆและลองฝังในจุดที่ไม่สำคัญนักแต่คิดไม่ถึงว่าหลี่หวานจะทำเป็นจริงๆสัมผัสที่ฝ่ามือนั้นรู้สึกสบายมาก ในระยะใกล้เช่นนี้เขาสามารถมองเห็นขนนอนเส้นเล็กๆบนใบหน้าของหลีหวานได้อย่างชัดเจนเครื่องหน้าของเธอประณีตมากโดยเฉพาะตอนที่ตั้งใจฝังเข็มเหือนโม่จ้องมองตาค้างหัวใจเต้นผิดจังหวะไปอย่างบอกไม่ถูกเสร็จแล้วคะตอนนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างเสียงของหลีหวานดังขึ้นทำให้เหวนโมได้สติกลับมาทันทีดีดีขึ้นมากเลยครับเหวือนโมรู้สึกได้จริงๆว่าอาการปวดที่หลังลดน้อยลง ในกรณีของคุณควรจะพักผ่อนให้มากมากและระวังเรื่องอาหารการกินด้วยนะคะหลีวหวานพูดพลางวางมือของเวินโมไว้บนโต๊ะการฝังเข็มต้องรอครบ15นาทีถึงจะถอนเข็มออกได้นี่คุณก็เรียนรู้จากในหนังสือเหมือนกันเหรอศาสตราจารย์เจียงถามด้วยความไม่อยากจะเชื่อค่ะหลีวหวานตอบรับหลีวหวานถ้าเธอฉลาดขนาดนั้นตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยชาติก่อนคงไม่ต้องเครียดจนผมร่วงหรอก ผลการเรียนของเธอดีก็จริงแต่การเรียนแพทย์นั้นยังถือว่าค่อนข้างหนักหนาสาหัสสำหรับเธออยู่ดีตอนนี้หลีหวันมีความรู้ทางการแพทย์อย่างน้อยสิบกว่าปีความสามารถเพียงเล็กน้อยที่เธอจงใจแสดงออกมานี้ก็เพียงพอที่จะทำให้ทุกคนตกใจแล้วลองคิดดูว่าถ้าเธอแสดงความสามารถที่แท้จริงออกมาทั้งหมดไม่แคลวคงถูกมองว่าเป็นสัตว์ประหลาดแน่ๆคุณศา ส, สตราจารย์เจียงจนคาพูดไม่รู้จะพูดอะไรดี หวนโมค่คิดว่าตนเองเป็นอัจฉริยะแล้วบอกตามตรงว่าตอนแรกเขาไม่ได้เห็นหลีวันอยู่ในสายตาเลยเขาคิดว่าคนคนนี้ก็แค่เรียนเก่งแต่การเรียนแพทย์แผนจีนไม่ใช่แค่ฉลาดแล้วจะดีสิ่งสําคัญที่สุดคือต้องมีพรสวรรค์ตอนนี้เหวนโม่เข้าใจซึ่งถึงสัจธรรมที่คุณปู่เคยบอกว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าแล้วนี่เป็นเทียมมหาวิทยาลัยการแพทย์เล็กๆแห่งหนึ่งหากมองไปที่มหาวิทยาลัยการแพทย์ทั่วประเทศละ่ะที่นั่นคงจะเต็มไปด้วยผู้มีปัญญามากมายมหาศาล เวนโมรู้สึกกดดันขึ้นมาทันทีเรียบร้อยค่ะหลี่วานทอนเข็มบริเวณที่ฝังเข็มไม่มีแม้แต่รอยแผลเวนโมไม่รู้สึกเจ็บเลยสักนิดยังมีนักศึกษาคนไหนอยากลองอีกไหมศาสตราจารย์เจียงอยากจะดูว่าความสามารถของหลี่วานอยู่ที่ระดับไหนศาสตราจารย์คะท่านคิดว่าฉันเปิดทรีนิกตรวจฟรีหรือคะหลี่วานพูดด้วยน้ำเสียงกึ่งเล่นกึ่งจริงคือคุณเพิ่งตรวจคนไข้ไปแค่คนเดียวไม่เหนื่อยหรอก ตรวจอีสักคนเถอสะศาสตราจารย์เจียงครุ่นคิดครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจนั่งลงเสียเองคุณตรวจให้ผมทีหลีหวันเริ่มตรวจชีพจรเหวนโม่กลับไปนั่งที่ที่นั่งของตนเองแล้วเป็นไงบ้างเข็ยมยาขนาดนั้นแทงเข้าไปเหลือแค่ติกเดียวไม่เจ็บจริงๆเหรอเธอมีฝีมือจริงๆเหรือเนี่ยเพื่อนนักศึกษาคนอื่นๆต่างพากันซุบซิบจนเหวนโม่รู้สึกรำคาญเงียบหน่อยอย่ารบกวนนักศึกษาหลี อยางจริงก็มังจะอ้าปากเอ่ยทักทายสักสองสามคำแต่ยังไม่ทันพูกระถูกต่อกลับมาเสียก่อนแววตาของเธอฉายแววเครียดแค้นขณะมองไปทางหลีหวานร่างกายของศาสตราจารย์เจียงแข็งแรงดีไม่มีปัญหาใหญ่อะไรนอกจากโรคคนแก่ทั่วไปปกติท่านต้องทานอาหารที่มีน้ำมันและเกลือน้อยๆนะคะจะทานเนื้อสัตว์มื้อใหญ่บ่อยๆไม่ได้ต้องเน้นอาหารรสอ่อนและห้ามดื่มเหล้าคะ่ะหลีหวานพูดต่อปรับใดที่ท่านควบคุมปากตัวเองได้ท่านจะมีอายุยืนถึงร้อยปีแน่นอนคะ่ะ ฮืๆนี่คุณก็มองออกด้วยเหรอศาสตราจารย์เจียงหัวเราะคุณนักคนเราเกิดมาทั้งทีถ้าไม่ได้กินของอร่อยๆที่มีรสชาติบ้างชีวิตจะมีค่าอะไรผมว่าอยู่ถึง80ก็ดีมากแล้วไม่จําเป็นต้องอยู่ถึงร้อยปีหรอกหลีหวานศาสตราจารย์เจียงส่งสัญญาณให้หลี่หวานลงไปนั่งที่ทุกคนคงพอจะเข้าใจเรื่องการซักประวัติตรวจชีพจรและจุดชีพจรในร่างกายมนุษย์อย่างคร่าวๆแล้วแผนผังจุดชีพจรพื้นฐานทุกคนต้องจําให้ได้พรุ่งนี้ในคาบเรียนผมจะสุมตรวจใครจําไม่ได้ให้ออกไปยืนข้างนอก จำได้เมื่อไหร่ค่อยกลับเข้ามาเรียนในห้องหาไม่จริงใช่ไหมจุดชี้พจร์ในร่างกายมีตั้งเยอะขนาดนั้นจะจำได้หมดได้ยังไงจบกันการปกติฉันก็ความจำแย่อยู่แล้วาศาสตราจารย์ให้เวลาสั้นขนาดนี้ต้องจำให้ได้หมดตายแน่ๆฉันนึกว่ามัธยมปลายยากที่สุดแล้วคิดไม่ถึงว่าพอเข้ามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกลับยาก ย, ากยิ่งกว่าในห้องเรียนเต็มไปด้วยเสียงโอดครวนทันที เอาละช่วงบ่ายไม่มีเรียนพวกคุณมีเวลาจําตั้งสิบกว่าชั่วโมงเวลาแค่นี้ยังไม่พออีกเหรอถ้าพวกคุณจาไม่ได้ผมว่าพวกคุณรีบย้ายสาขาไปเสียแต่เนิ่นๆจะดีกว่า